เราน่าจะสอนภาษาอังกฤษให้ลูกหลานของเราหกเดือนเอาหเดือนนี่นะไม่ให้สอนภาษาไม่ใหสอนอย่างอื่นให้สอนภาษาเท่านั้นแล้วกอนักเรียนของเราทั้งหเดือนเนี่หลวงพ่อว่าคงจะได้ภาษาที่จะเข้าประชาคมอาเซียนคงจะมากพอสมควรแต่ี้ปล่อยให้เด็กของพวกเราเด่นเด่ น, ด, นด้านๆเพอเพอเด็กนักเรียนเรามีเวลา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 จินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนเอออันนี้ก็เรียกว่าจินตามายะปัญญาคือจินตนาการในคำพูดหรือสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นภาวนามยปัญญาการภาวนาทาจิตใจให้สงบซะก่อน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 ไอ้ข้างถนนน่ะผมยาวๆเนีเายของไอ้ลงตุงนังน่งให้มันมาคิดมันจะคิดได้ไเพราะมันปุ่งฟุ้งซ่านน่ะมันไปจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวน่ะจิตใจมันคนขาดสติในเมื่อคนขาดสติแล้วจะนำมาพิจารณาการกรองไตรตรองเรื่องเหตุและผละเป็นไปไม่ได้อย่างพวกเราก็เหมือนกันถ้ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นอย่างร้อนๆ อ, อยูออ่คิดปุ่งฟุ้งอยู่ตลอดเวลา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 แต่เนเดินเดินมาเข้ามามาเห็นเออท่งคล้ายๆว่าเป็นสนามหรือว่าเป็นที่ปลูกต้นไม้ต้นไม้ขึ้นเป็นกระย่อมกระย่มตายเป็นส่วนมากแล้วก็ขึ้นเป็นน้อยส่วนน้อยแต่นี่ยนา ย, นายอุทยานพวกพระก็เลยถามว่าเอ๊ะทาไมส่วนนี้นะเนี่ยแปลที่แปลงนี้นะี่ทำไมต้นไม้จะขึ้นไม่สม่าเสมอ ทำไมจึงมีส่วนตายเป็นส่วนมากนายอุทยานก็เลยบอกว่าเพราะว่าให้ให้ลิงรักษาป่าให้ลิงเป็นผู้ดูแลดูแลป่าพระสงฆ์ก็เลยถามย้าว่าทำไมจึงให้ลิงดูแลป่านายอุทยานก็บอกว่าพวกเราวันนักขัดวันนักขั ร, รคือวันเดือนส2บสองเพนวันเดือนส2เสองเพน ใครใครก็อยากจะไปเล่นอยากจะไปชมหรือจะไปงานปีใหม่ลักษณะอย่างนั้นแหละคือประเทศอินเดียเนี่ยเขาถือว่าวันเดือนสิบสองเผนเนี่ยเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเหมือนกับเราลอยกระทงลักษณะอย่างนั้นแหละทีนี้ใครก็อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปชมงานก็เลยเห็นลิงลิงใหญ่ลริงอุลังกุตังนะ่ที่เป็นหัวหน้า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 มาก็นายนอุทยานก็สั่งเอ้ยหัวหน้าอุรังอุตังพวกเราเนี่จะไป เ, เล่นนักขัดตะลิกนักกษัตริย์ไปงานเดือนส2บสองเผ่นให้พวกเธอพวกเจ้าเนี่ ย, ยดูแลสวนแทนได้ไหม อ, อุรังอุตังมันก็ทำต้ามุมบอบมุมอบมุมอบเ่เออขึ้นมาก็ว่ารับว่าได้ได้ได้ฮ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 อก็สอนสอนอุหลังอุตังหัวนหน้าก็อืครับเอาทําให้ดูซ์มันก็ทําให้ดูนะพอทําให้ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เออใช้ได้ใช้ได้ะ ใ, ในอุทยานก็ไว้ใจเอะน่าจะใช้ได้เพียงเจ็ดวันนะเราไปเพียงเจ็ดวันกับลูกน้องบริวารนะ เ, เจ็ดวันคงจะคงจะไม่มีปัญหาเอาดูแลนะอุหลังอุตังนะ่ะออพวกเราจะไปแล้วนะ มันก็มูบมับ ม, มูบ ม, มับมูบมับฮะทำปากขมุขมับฮะจากนั้นก็พกนี้ก็ไปแหะไปได้เจ็ดวันพอเจ็ดวันกลับมาโวเกือบจะเป็นลมทีนี่คือ อ, อุหลังอุตังเนี่ยมันฉลาดเกินไปว่างั้นเถอะแล้วมันบอกว่านี่นะพวกเราลดต้นน้ําต้นไม้นะนี่นะพวกนายอุทยานเขาว่าพวกเราเนี่ย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 หลวงพ่อถามถามดูว่าสมัยนั้นมีจตุปัจจัยอยู่ประมาณ80ดิบกว่าล้านนะแต่หลวงพ่อถามถามดูการสร้างเจดีย์หลายร้อยล้านฮะหลวพ่อในถามถามดูหลวงพ่ออไม่มั่นใจวัดของเรากลุ่มของเราเนี่ยกลุ่มงลวงหลวงพ่อเอเนี่ยวัดป่านาคําน้อยเนี่ยน่าจะรับไปสักห้าสิบล้านบาทฮะหลวงพ่อก็เลยรับประกาศในที่สาธารณะเลยว่า รเรื่องสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเนี่ยหลวงพ่ อ, อวัดหลวงพ่ออินถวายวัดปานาคำน้อยเนี่ยจะรับห้าสิบล้านบาทเพื่อจะมาร่วมสมทบเจดีย์ขององค์หลวงตาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่ให้เป็นก้อนนะคล้ายๆกับว่างวดที่นึ่งใช้จ่ายไปเท่าไหร่เราก็สมทบเข้าไปงวดที่สองที่สามที่สี่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 มีการประชุมรอบที่สองอีกนะแล้วก็วันที่ยี่สินี่แหละหงพ่อจะเข้าไปเพื่อจะประชุมห า, หารือกับเกี่ยวกับสร้างเจดีย์แต่ยังไม่ถอยเนอเจดีย์นี่สร้างแน่แต่ว่าลูกศิษย์ทุกหาองค์หลวงตานี่หลายมากมายหลายหลายกลุ่มหลายคณะหลายคู่หลายคน เ, เหมือนกับลูกหลายคนอย่างลนะักษณะนั้นนะ่ะนานาจิตต่างนาน า, นาทัศนะ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 ฟังๆเอาไว้ได้ลูกหลานเนี่ยเพราะนั้นใครเขียนบัตรสนเทมาดาเนี่ยโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งผู้ปกครองเนี่ยเจ้าไปอ่านอ่านพอรู้เรื่องเลยรีบฉีกทิ้งไว้แ่เดอถ้าอ่านรอบสองบรรดาครั้งที่สองขาดังดาครั้งที่สามเนเออแร <c oughs> <c oughs> ับพอในทีนีเนอะ